181. ปัญจะโครสาธิอนุชาณน า, นาว่าด้วยทรงอนุญาตปัญจะโครสะเป็นต้น 299. ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเมืองพัทยาตามพระอัทยาศัยแล้วไม่ทรงบอกเมนตกะข้าบดีสเสด็จาริกไปทางอังคุตตราปะ พร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน1250รูปเมนตกะขหาหบดีได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จไปที่อังคุตตราปะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน1250รูปลำดับนั้นจึงสั่งทาสและกรรมกรไปว่าท่านทั้งหลายถ้าอย่างนั้น พวกท่านจงบรรทุกเกลือบ้างน้ำมันบ้างข้าวสารบ้างของฉันบ้างลงในเกวียนให้มากๆพวกคนเลี้ยงโค 1,250 คนจงต้อนแม่โค 1,250 ตัวมาด้วยเราจะเลี้ยงพระสงฆ์ด้วยน้ำนมสดรีดใหม่ที่ยังอุ่นในที่ที่เราได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้งนั้น เมนดากาหะบดีตามไปพบพระผู้มีพระภาคระหว่างทางกันดารจึงเข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคพร้อมกับภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อจเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้งนั้นเมนตกะขหะบดีทราบการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วได้ลุกจากอาสนะถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วกลับไปโดยล่วงไปแห่งราตรีนั้น เขาให้จัดเตรียมโภชนาหารอันประนีตแล้วให้คนไปกราบทูลพัฒการพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าพัฒตาารเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาศกแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปที่จัดเลี้ยงของขหบดี ประทับนั่งบนอาสนะที่จัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ขหาบดีสั่งคนเลี้ยงโค 1,250 คนไปว่าท่านทั้งหลายพวกท่านจงช่วยกันจับแม่โคนมคนละตัวแล้วยืนใกล้ภิกษุรูปละคนรูปละคนเราจะเลี้ยงพระด้วยนมสดรีดใหม่ที่ยังอุ่น แล้วนำของเคี้ยวของฉันอันประนีตและน้ำนมสดที่เพิ่งรีดด้วยตนเองประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานด้วยตนเองกระทั่งอิ่มหนำภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมรับประเคนน้ำนมสดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิดครั้งนั้นเมนตกะขหาบดีนำของเคี้ยวของฉันอันประนีตและน้ำนมสดที่เพิ่งรีดด้วยมือตนเองประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานด้วยตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงห้ามพัตตาหารแล้วละพระหัตจากบาท จึงได้นั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าในหนทางกันดานอัตคัดน้ำอัตคัดอาหารภิกษุไม่มีสเสบียงเดินทางไปต้องลำบากขอประธานวาโรกาสเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงอนุญาตสเสบียงเดินทางแก่ภิกษุด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าลาดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เมนตกะข้าบดีเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหานแ ก, กล่าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกะถาแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมีกะถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตโคระสะห้าชนิดคือนมสดนมเปรี้ยวเปรียงเนยคน้นและเนยใสภิกษุทั้งหลายหนทางกันดานอัตคัตน้ำอัตคัตอาหารมีอยู่ภิกษุไม่มีสเสบียงเดินทางไป ต้องลำบากเราอนุญาตให้สแสวงหาเสบียงได้คือผู้ต้องการเข้าสารพึงสแสวงหาเข้าสารผู้ต้องการถั่วเขียวพึงสแสวงหาถั่วเขียวผู้ต้องการถั่วราชมาดพึงสแสวงหาถั่วราชมาดผู้ต้องการเกลือพึงสแสวงหาเกลือผู้ต้องการน้ำอ้อยงบ พึงสแสวงหาน้ำอ้อยงบผู้ต้องการน้ำมันพึงสแสวงหาน้ำมันผู้ต้องการเนยใสพึงสแสวงหาเนยใสภิกษุทั้งหลายคนทั้งหลายที่ศรัทธาเลื่อมใสมอบเงินและทองไว้แก่กัปปิยการกกล่าวว่าสิ่งใดควรแก่พระคุณเจ้าจงถวายสิ่งนั้น จากกัปปิยะพันฑ์นี้ดังนี้ก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดควรจากกัปปิยะพันธ์นั้นเราอนุญาตให้ยินดีสิ่งนั้นได้แต่เราไม่ได้กล่าวว่าภิกษุพึงยินดีและแสวงหาทองและเงินไม่ว่ากรณีใดๆ